วิธีลงปฏิสารณียกรรมและกรร ม, มวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงลงปฏิสารณียกรรมอย่างนี้คือเบื้องต้นพึงโจทย์ภิกษุสุธรรมครั้นแล้วให้ภิกษุสุธรรมให้การแล้วจึงปรับอาบัติครั้นปรับอาบัติแล้วภิกษุผู้ฉลาดสามารถ พึงประกาศให้สงสาบด้วยยติจะตุตะกรรมมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าจิตตะคหาบดีเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสเป็นทายกเป็นผู้ทำงานเป็นผู้อุปถมสงฆ์ภิกษุสุธรรมนี้ดาด้วยคำต่ำช้าคูด้วยคำต่ำช้าถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้ว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 คูด้วยคําต่าช้าสงลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุสุธรรมโดยสั่งให้ภิกษุสุธรรมไปขอขมาจิตตะขาบดีท่านรูปใดเห็นด้วยกับการลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุสุธรรมคือให้ภิกษุสุธรมขอขมาจิตตะขาบดีท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วง แม้ครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าจิตตะคาหาบดีเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสเป็นทายกเป็นผู้ทำงานเป็นผู้อุปถัมภ์สงฆ์ภิกษุสุธรรมนี้ดาด้วยคาต่ำช้า พูดด้วยคำต่ำช้าสงลงปฏิสารณิยกรรมแก่ภิกษุสุธรรมคือให้ภิกษุสุธรรมขอขมาจิตตะขหาบอดีท่านรูปใดเห็นด้วยกับการลงปฏิสารณิยกรรมแก่ภิกษุสุธรรมโดยสั่งให้ภิกษุสุธ ร, รมไปขอขมาจิตตะขหาบอดีท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วง ปฏิสารณียกรรมสงลงแล้วแก่ภิกษุสุธรรมโดยสั่งให้ภิกษุสุธรรมไปขอขมาจิตตะขหาบดีสงเห็นด้วยเพราะเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้